อนิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงสุดจะเลี้ยงหลีกหลบไม่พบหาเกิดมาแล้วก็ต้องตายวายชีวาทิ้งกายาฝังไว้ในมูลดินถึงรูปหล่อน่ารักสักเพียงไหนที่สุดไซ้ก็เน่าเหม็นเป็นเหยื่อหนอนชีวิตนี้ไม่ดำรงคงถาวร อน. ความเป็นความจริงหม่อนเท่านั้นเป็นความจริงมัจจุราชนายเราเอาไปแน่เว้น ทั่วพื้นล่าหญิงชายตายทุกคนพื้นขอความผาสุขความสวัสดีหญิงชายตายทุก ในเวลาเวลาบรรทวันบ่ายๆเนี่ยบ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น. น, เรเร น, นเราก็มาฟังเรื่องของธรรมะ ศึกษาแล้วเราก็ต้องนํามาประพฤติปฏิบัติด้วยถ้าเกิดว่าเราศึกษาไม่ การรักษาศีลดีแต่เรายังไม่กินมันยังไม่ใช่เป็นของเราฟังเทศฟังธรรมดี ความดีเนี่ยบางทีเราลืมตนเองเกิดมาแล้วเราก็หาเงินหาทองแต่เบื้องปลายชีวิตเมื่อจะนึกถึงที่พึ่งทางด้านจิต ทำอันเป็นที่พึ่งทางก็ยากลําบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ บางทีนึกถึงที่พึ่งทางด้านจิตใจโอ้เขาก็จะเดือดร้อนใจภายหลังแต่ตรงกันข้าม ไม่ต้องไปภาวะภวังค์โอ้ลูกหลานก็จะทําบุญอุทิศไปให้ umn ที่เราทำนั่น่ะเป็นมิต์แทติดตามเราไปสับภายนอกบางถี่กมีภายรอบดาลโจเอาไปบ้างเจ็บรักไม่ดีคนไม่ถูกกันแย่งชิงกันเอาไปบ้างน้ำท่วบ้างไฟไม่บ้างหรือบุผู้มีอำนาจเอาไปครลเสียนี่นี่ส แม้จะอยู่ในกระเป๋าของเรามันยังก็ไม่ใช่ของเราหรอกบางทีเราก็ มันก็เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ขนออกไปฉันใดไฟในที่นี้ไฟคือราคะขิไฟคือ คือความเจ็บไฟใกล้จะดับจิตคือความเจ็บไฟใกล้จะดับจิตนอนตายด้วยความเป็นทุกข์นะทุกข์โอนาถาน่ะตายไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พอตายจาก เตรียมเสบียงคือเงินทองไว้เวลาบ้านหลังนี้ถูก ทรัพย์สมบัติที่จะพึงได้บุญกุศลที่บุญอันโจรนําลักพา อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นํามาเล่ามา มันกลืนกินอายุของเรานะไม่ใช่ว่าวันเวลาผ่านไปเราได้อายุเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่อายุของเรานะไม่ใช่ว่าวันเวลาผ่านไป อย่างอาตมานังพูดในสาธุชนฟังอยู่นี้อาตมาก็ไม่แน่ความ อายุมากก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญอายุน้อยก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญสําคัญอยู่ที่การทํา ทรัพย์สมบัติภายนอกรักกันมากก็ส่งถึงแก่โรงพยาบาลส่วนลูกหลานรักกันมากส่งถึงแก่เชิงตะกอนแต่คุณงาม การเดินทางไปประเทศอินเดียถามว่าไปทําไมเดินตามรอยพระเยโคลละบาท เมื่อมาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีการถามปัญหาปุจฉาวิสัชนาซึ่งกันและ หลังจากทราบพระองค์นิพพานแล้วจะให้ไปพบ 4 ตำบลเหล่า 1 พุทธคยาสถานที่เราตรัสตถาคต อันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระ 4 ตำบลนี้ 4 ตำบลนี้ยังความเลื่อมใสยังจิต คนที่ไปไหว้พระในดินแดนโอ้ถ้าพูดอย่างนี้ญาติโยมบางท่านก็ แต่กําลังวังฉากแข้งขามันก็บังคับบัญชาไม่ได้แต 4 นี้เค้าเรียกว่าทรัพย์ นี่คนเหล่านี้จึงมีโอกาสได้ประมาณนะแล้วก็ต้องมีศรัทธามั่นคงพอสมควรบางท่าน การไปไหว้มันพูดบอกไม่ถูกณดินแดนแห่งพุทธมาตุภูมิอู้ยมันปลื้มนี่ญาติโยมส่วนมากเวลาเดินทางเออ ก็ฝากปัจจัยไปร่วมทําบุญธูป ถนนหนทางมันก็ไม่สะดวกสบายเท่าใดนักที่ไม่พัฒนาทันโลกเขาแต่ 2 ประเทศน่ะถ้าให้อาตมาเลือกจะเลือกไปทางไหนอาตมาก็บอกว่าขอเลือกเดินทางไปไหว้บ้านสมเด็จ แต่ไม่น่าอยู่ไปถึง 2 ครั้งแล้วแต่ไปสอนกรรมฐานนะแต่ว่าบางคนที่ไม่เคยไปก็อยากจะไปเอาเถอะนะ ระเบียงในการเดินทางเข้าปลาอาหารบางชนิดบางท่านก็กินอาหาร โอ้โหเวลาร้อนเนี่ยไม่ใช่ฤดูเดือนเด 4 เดือนมันแห้งทําให้อากาศมันร้อนอบอ้าวนี่การเดินทางไป พร้อมกันแล้วสมัยเก่าการเดินทางเนี่ยต้องไปทางเรือหรือคือกรุงเทพมหานคร ไปที่เมืองกัลกัตตานะไปเมืองกัลกัตตานี่ก็จริงๆเดิมทีเขาเรียกว่าเมืองเมืองกาลี เดี๋ยวนี้ยังเอาแพะไว้อยู่สมัยเก่าโบราณ เขาเรียกว่าเป็นเมืองที่บูชาเจ้าแม่กาลีเขาเรียกๆในสมัยอังกฤษมาปกครองเขาว่าตอนนั้น เขาเรียกว่าเป็นเมืองที่บูชาเจ้าแม่กาลี ฉะนั้นอังกฤษเลยเห็นว่าสถานที่เมืองนี้ไม่ 80 ล้านยมยศในรัฐรัฐ แต่เขาเรียกว่ามีประชากรมากกว่า แล้วก็มีพิธภัณฑ์มีรถไฟใต้ดินความเจริญรุ่งเรืองมากที่เมืองกัลกัตตาโดยเฉพาะพิธภัณฑ์ของเก่า สมัยที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระเวสสันดรเมืองกัณฑกัตตา 1 โยมโยมพอนั่งเครื่องบินโอยเราเดิน ก็บอกว่าโยมตอนนี้เราเดินทางมาถึงประเทศ โอ้โยมเห็นแกกลราบที่พื้นดินเลยน้ําตาร่วงก็บอกว่าเราปลื้มใจเหลือเกิน เมื่อเราไปไหว้พระจิตใจฉะนั้นในเมืองกัลกัตตาเนี่ยภาษาที่เขาใช้มันก็หลายภาษาภาษาเบงกาลีนะ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะ เมืองจำปาเนี่ยต่อมาภายหลังพระเจ้าพิมพ์พิสานนี่แหละเรื่องอำนาจมาก ก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่เอออันนี้ว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเมืองจัมปานคร 6 นครที่พระอานนท์กราบทูล เป็นที่เสด็จปรินิพพาน 5 โกสํภี 6 เมืองพลนสีฉะนั้นมี ในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิย้อนหลังไปบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่แต่ปัจจุบันที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเช่นสาวัตถีโกศล ทหารที่มีกําลังมาก จึงไปนิพพานที่เมืองกุสิณาล่าหรือเมืองกุสาวดีนะมีเมือง เครื่องนี้จะบินผ่านเมืองกัลกัตตาไปลงที่ลานจิเมืองลานจิแล้วเทเทเทเท 6 เท่า ประชากรก็มากฉะนั้นถ้าเรานั่ง เมื่อไปที่วัดประมาณเมเม 50 กิโลไปดูปราสาทของ 7,700 ยอดมี แล้วก็ไปชมที่วารุการามอันเป็นสถานที่ ยังมีอนุสรณ์สถานเหลืออยู่เยอะมากมายและที่เมืองไพศาลีน่ะมีสถานที่ แต่ตอน 5 ม. 6 ม. ไปแต่ของเหล่านั้นเขาก็เอาไปเก็บไว้ในพิธภัณฑ์ของมีพระมี เพราะว่าที่สร้างขึ้นเมืองนี้พิหารแปลว่าที่อยู่พิมพิสารถูกอัจฉาตศัตรูลูก pega o pisa a ch t a d k m fl a y a p d e o t a h a u a ch a pas faux ge h a u p o n i a t o n i p r g o n i y a q a k e a y a k e q i ba Boji แต่ก็ว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ก็ว่าไม่สามารถที่จะเอาที่ประสงค์เป็นไส้ ให้สุนีธัพพามและวัสกาลพามฟังว่าชาวลิชชวีอย 7 อย่างข้อใดข้อหนึ่งจะไม่เสื่อมนะจะไม่เสื่อมไม่ วัสสการพามเห็นท่าช่องได้ช่องทางก็ทําท่าให้ อาจารย์สอนในยุทธศาสตร์รัฐต่างๆสัตว์ๆเพราะพวกนี้เป็นพวกสําเร็จนะเรียกว่าเป็นบัณฑิตวัชกะรภามท่านก็สอน อาชาตศัตรูได้ยกเกณฑ์ทัพมา วาตะแปลว่าโรคอหิวาตกโรคโรคที่มีพิษเหมือนงูเห่ามันกัดแล้วก็ นิมนต์พวกลัทธิเดรัจฉีเปลือยทั้งหลายมาก็ไม่สามารถที่ที่พระพุทธเจ้าได้ข้ามฝั่งแม่น้ําคงคาจะ ถ้านั้นขอเรียกว่าโคตมคาทนะคําว่าคาทก็แปลว่าท่านะโคตมะก็คือโคดมนั่นเองโคตั้มโคตั้มหรือโคดมสถานที่ตรงนี้ ถ้าคนอยู่ไกลถ้าตายแล้วอังคารทั้งบางคนนี้ยากจนฟื้นมันแพงพอเผาศพเริ่มเต่าพวกหอยก็กินเหตุ เธอกับพระองค์ก็พูดไว้เหมือน 3 ประการ 1 น้ําท่วม 3 ความแตกๆบางปีที่ 2 ไฟไหม้ ขณะปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลรัดๆที่รัฐพิหาร เมื่อพัดเอาซากศพหมดไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงให้พระอานนท์นี้เรียนรัตนปาริสคือวิธีทําน้ํามนต์ทําน้ําพุทธมนต์นี่ๆประวัติน้ําพุทธมนต์เกิดขึ้นที่เมืองไพศาลีนี่แหละพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรสูตรที่พูดถึงการ เมื่อทำน้ำพุทธมนต์ก็เดินพรม คำว่าปริตตัวนี้แปลว่ากำแพงหรือเครื่องป้องกันนะกำแพงหรือเครื่องป้องจริง อนุภาพแห่งพลังจิตอนุภาพแห่งสมาธินี่ต้นฉะนั้นเวลาญาติโยมทําบุญขึ้นบ้าน ให้พระสงฆ์พรมน้ําทั่วบ้านและบ้าน ในเมืองไพศาลีนี้ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ในแนวความคิดเป็นศาสดาขึ้นมาแข่งกับพระพุทธเจ้าลักษณะอ่าแนวการกันมีการโต้ วันเดิน 3-4 องค์ไม่มีผ้าหนุ่มผู้ชายโยมผู้หญิงเดินตามหลัง จะมีนักบวชมา 20 ล้าน 30 ล้านที่เมืองจุฬาตรีคูณดังไปทั่วโลกเค้าเรียกว่าเมืองอัลลาฮาบัด เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าประรงพระชนมัยุสังขารก็เกิดขึ้นที่เมืองนี้มีกูดาคานศาลาป่า อ่าให้ท่านนางมหาปัจฉาบดีโคตมีบวชเป็นภิกษุณีด้วยคฤธรรม 8 ประการและเมืองเมืองนี้ก็มีสาว คนรับแขกบ้านแขกเมืองในที่สุดนางจึงได้รับ 9 ชั่วโมงก็ไปถึงเมืองปัตตนะ ญาติโยมได้ร่วมปัจจัยมาฉะนั้นการสุขหรือ ก่อนทําๆคิดรอบความเจริญในธรรมจึงชอบการขอความผาสุขความ รายการธรรมะก็ได้ใช้เทปบรรยาย ท่านผู้ฟังสนทนาปัญหาธรรมะที่เบอร์โทรศัพท์ 434 1927 ก็สามารถที่ 4341927 ก็สามารถที่จะ 2 ลึก 3 วัยเหลือเกินนะ มุ่งไปสู่อำนาจของความแก่ความเจ็บและความตายวันเวลา ถ้าผลดีก็ย่อมตอบสนองทำดีผลดีก็ย่อม เปอร์เซ็นต์ที่ลูกไปล้างผ่านมากว่างั้นเป็นลูกไม่ๆอาตมาจึงบอกว่ากรรมที่ แต่ถ้าพูดถึงหลักของกฎแห่งกรรมถ้าพูดถึงหลักของกฎแห่งกรรมหลักกฎ ตกต่ําหรือขึ้นสูงก็เพราะแรงกรรมที่เราได้กระทํากันเพราะฉะนั้นวันนี้เดือน 3 เดือน แต่ตอนนี้เราก็นั่งเครื่องบินประมาณ 2 นะที่แลรัฐเบงกอลหรือเวตรัฐเวต ตลอดถึงชาลีกรรหาตลอดถึงพระ เป็นเมืองที่ทําสังฆไยนาก 2 ครั้งคือครั้ง 3 ก็ที่วัดอโศการามที่เมืองปัตตนะพระครคร 3 ประการ 1 ไฟ 2 น้ํา 3 ความแตกแยกสามัคคีจะเกิด เรามาถึงตอนนี้ก็เวลาเรา 90 กม. แต่ว่าการเดิน 30 กม. ต่อชั่วโมงนะเพราะว่าถนนหนทาง ถนนนั้นเป็นถนนสาธารณะจริง 30 กิโลก็ถือ อินเดียเขาเรียกว่าราชคฤนะเมืองราชคฤนี้เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาหรือที่เรียกว่าเบญจคิรีนครเป็นเมืองที่มี โยมมองดูว่ามันเหมือนกับก้อนหิน 5 ก้อนมาร้อมรอบลูกที่ 1 ชื่อว่าเวปุละลูกที่ 2 ชื่อว่าคิชฌกูตะลูกที่ 3 ชื่อว่าบรรดวะลูกที่ จะต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์คือความสิ้นอาสวะกิเลสจึงชื่อว่าวิบูลหรือไพบูลแต่ภูเขาเวปุละนี้ ถ้าไม่ย่อยสลายไปมันก็จะกองใหญ่สูงยิ่งกว่า คิชชะตัวนี้แปลว่าแรงกูตะแปลว่าเออเราไปจริงๆถ้าสาธุชนเคย จะมีลักษณะภูเขาเป็นก้อนเหมือนเหมือนเป็นลักษณะเหมือนหัวแร้งอีกนัยยะหนึ่งท่านบอกว่าที่ชื่อเมื่อพวกข้าราชการจับโจรได้ก็จะเอาโจรมา โจรมันกดตายเมื่อตายแล้วพวกอี สถานที่ตรงนั้นแหละเป็นสถานที่พระองค์ได้ทรงแสดงหลักอปปริหานิยธรรมธรรมอันไม่เป็น เมืองเวสาลีนี้จะไม่แตกแยกกันตราบใดถ้าเมืองไพศาลีนอนหมอน ก็ไปตีเมือง 2 เมตรยาว 3 เมตรกุฏิไม่ใหญ่แต่สถานที่องศาเดิน ระยะระ 500 เมตรบางคนก็แข่งขาไม่ดีก็ให้แขกหาม ความเหน็ดเหนื่อยนั้นจะมีลมพัดมาถูกกายอยู่ตลอดหาย บางคนไปนั่งสวดมนต์น้ำตานี่ญาติโยมในชีวิตหนึ่งถ้าเรามีโอกาสควร สัตปัจฉาสมณะคือผู้ติดตามพระ เป็นกุฏิของพระอานนท์เมื่อเราเดินทางลงมาถัดจาก สถานที่ตรงนี้ล่ะมีความสําคัญหลานของพระสารีบุตรชื่อว่าทีฆนัคขะปริภาชกแปลว่านักบวชเล็บยาวมันนั่งกํามือเล็บยาว เรื่องทิฏฐิ 3 ประการเมื่อแสดงธรรม คณะของพวกเราเมื่อเดินทางถึงแล้วก็จะได้ทําพิธีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโอ้มันน่าปลื้มใจ เราได้ไปกราบไปไหว้บางคนที่เหน็ดเหนื่อยไปหายหมดค่าเครื่อง นี่มีแล้วมีแล้วนะมีปรากฏแล้วทัด 30 เมตรจะมีถ้ําธรรมหนึ่งเค้าเรียกว่าถ้ํามหาโมคคละนะถ้ํามหาโมคคละนะ พอพระองค์แสดงธรรมจบก็ได้บรรลุเป็นพระ เมื่อไปขอพรพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่อนุญาตก็ มีก้อนหินได้ผุดขึ้นมาปะทะก้อนหินใหญ่ๆไปกระทบฝ่า หมอชีวกโกมารภัจก็บอกว่าเลือดมันคลั่งในฝ่าพระบาทฉะนั้นหมอชีวกจึงได้ผ่า พาตัดในตอนเช้าตอน พระอนลได้แก้แผลที่ถูกผ้าตัดที่ผ้า มโหสถโกมารภัทรรีบออกจากบ้านแต่เช้าออกจากประตู แต่พระองค์ตอบว่าความเร่าร้อนกวน สุขสําราญอยู่ที่การปล่อยวางถ้าเราไม่ หัวเราะเยาะพูดเป็นเชิงตลกหยอก แต่เป็นคนบวชที่มีโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นหมอชีวกโกมารภัตเพียงตรวจสมุฏฐานของอ้าวท่านมาจาก ต่อไปแล้วหมอชีวกๆเหล่านั้นห้าม เป็นอันตรายถ้าเป็นโรคเหล่าคันโดท่านเป็นโรคฝีหรือพระอ่านาคก็จะตอบ สสเป็นโรคลมบ้าหมูหรือเปล่านะไม่เป็น แต่โยมบางคนมีอุปการะแก่พระพุทธศาสนาแม้ 60 แล้วก็ควรบวชนะก็แต 60 ไปแล้วเป็นคนแก่แต่ สวนนอกจากนั้นแล้วหมอชีวกโกมารภัตน์นี่แหละนอกจาก อาตมาภาพก็จะชี้ให้ญาติโยมได้ชมตรงนี้แหละนะพระพุทธเจ้าประทับกุฏิ 3 เขาเรียก ภูเขาลูกที่ 3 เค้าเรียกว่าบรรดาวะเนี่ยๆคําว่านักทัวร์ก็ ที่เป็นท้าวสักกะแก่มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วกลาย มาแปลตามรูปศัพท์ให้สาธุชนฟังกันตามนัยยะอัตถกถาทีฆนิกายมหาวรรคคําว่าอิสิกิริอิสิ คือพวกฤาษีสวดมนต์สวดพรอยู่ประจํานี่ อ่าได้อาหารพอยังอัตภาพแล้วได้เดินทางกลับแต่ ได้สําเร็จคุณธรรมแล้วขอให้โปรดหม่อมฉันด้วยเพราะเหตุผลอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้า ปาติญาณถึงพระรัตนตรัยแล้วก็กลับนี่ข้าง ต่อมาก็ซึ่งเศรษฐีในเมือง เก่าๆที่เคยมาเมื่อสหายเมืองสาวัตถีนําสินค้ามาค้าขายในเมืองราชคฤห์ตรงนี้จะมีรอยเกวียน ไปดูได้สถานที่ตรงนี้ดูได้สถานที่ตรงนี้วันนั้นมาท่านอนาถาปินิกะ ราชกังหัสถิก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เราจะนิมนต์พระสมณะโคดมมาฉันภัตตาหารใน แล่นขึ้นสู่หัวใจเกิดปิติ ผู้มีบารมีอันเตือนแล้วมีบารมีอันเตือนแล้วนายสุทัศน์ก็ลงออกจากบ้านท่านราชกะหะเศรษฐีออกไปเดินทางไปข้างภูเขา โอ้ในเมืองราชคฤห์ไม่มีคนรู้จักชื่อของเราวัน จิตใจเหมาะสมที่จะ นายสุทัศน์มาเป็นอนาถาบินทิกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีที่บริจาคก้อนข้าวก้อน ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ไปถามเจ้าเจตว่าเอ้ยเพื่อนถามว่าที่ของแกเนี่ยขายให้ฉันเท่า ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเอากวียน 500 เล่มไปขนเงินขน 18 โกด 18 โกด 10 แสน 10 ล้าน 18 โกดมันเท่าไหร่โยมก็บวก เพียงแต่พูดนิดหน่อยก็สามารถซื้อจนทรัพย์ สร้างวัดปัจเจตะวันน่ะแล้วก็สถานที่หน้าวัดไปตั้งป้ายวัดเชตะวันน่ะเป็นชื่อ 18 โกฏสร้างกุฏิอีก 18 โกฏแล้ว 18 โกฏโอ้มาก ถ้า 54 โกฏจะมากเท่า 3 กิโล จะมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่กลางทุ่ง ตั้งแต่ได้บรรลุเป็นพระ แต่ว่าไปโทษคนนั้นคนนี้เนี่ยคนไม่ครั้งพระโมคคัลลานะรู้รู้ว่าระจิตของคน 3 นี่พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติอยู่พวกโจรน่ะมาทุบพระมหาโมคคัลลานะกระดูกแตก พวกจนเรียกว่า เนี่ยก็เรื่องมันมีเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันถ้าไปอินเดียก็จะ ถ้ำอันนี้ล่ะมันเป็นรูปมารวมพระธรรมวินัยหลังจากดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว 3 ที่ถ้ำสัตตะบรรณคูหาแห่งนี้หน้าภูเขาลูกนี้ คืออุทสถนรก 2 คุ้มผ่านขึ้นมาตอนนี้ 15 วันจึงไปอาบน้ําที่นี้ได้หนหนึ่งนะ วนสุทธ์พลาดพานนี้ก็อาบแล้วพวกจันทนถึง 2 ครั้งพระโมคคัลลานะรู้ 2 ครั้งแต่ครั้งที่ 3 นี่พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเข้า พวกจนนึกว่าพระมหาโมคคัลลานะตายแล้วเลยลากไป เนี่ยก็เรื่องมันมีเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ถ้ำอันนี้ล่ะมันเป็นที่ทําปฐมสังคายนาพระอรหันต์ คืออุตสณนรก 15 วันจึงไปอาบน้ํา วานัสสูตแพทพานิก็อาบแล้วพวกจันทนอาบข้างล่างเหมือนบ่อบ่อบ่อน้ําขุ่นกะเลยโอ้ดูแล้วก็น่าคิดนะโยมนะถ้าเป็นคนไทยก็ ด้านหน้าภูเขาเวภาลบรรพตก็คือ มาประชุมอันประกอบ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ในนัดหมายประชุมกันโดยไม่ได้ 4 พระองค์คือใจ <c oughs> การทำกุศลให้ถึงพร้อมและการ